มนุษย์ทุกคนรวแล้วแต่ปรารถนาความสุขแต่ธรรมเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักความสุขที่ตนแสวงหาเท่าไหร่ความสุขที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นความสุขแค่ชนิดเดียวเท่านั้นนะ แต่ในความจริงความสุขนี่มันมีหลายแบบชาตจะจำแนกเนี่ยก็มีอยู่สองอย่างความสุขประเภทแรกเนี่ยจะเรียกว่าเกิดจากความตื่นเต้นหรือเกิดจากความสนุกก็ได้เกิดจากการที่ได้เสพผัสสะที่เราใจหรือว่าสิ่งที่กระตุ้นไอตนะ เช่นได้ดูหนังนะที่สนุกตื่นเต้นได้ฟังเพลงที่เราใจได้กินอาหารที่อร่อยได้เห็นสิ่งที่ตื่นตาตื่นใจหรือว่าได้ไปพบประสบสิ่งที่เร้าใจเช่นไปเที่ยวยังไปเที่ยวก็ได้เห็น นะสิ่งตื่นตาตื่นใจเจออะไรที่แปลกใหม่ไม่ว่าจะไปเที่ยวห้างหรือว่าสถานที่ที่ไม่เคยไปมันก็เป็นการเราจิตกระตุ้นใจแบบหนึ่งนะนะความสุขที่ผู้คนรู้จักเนี่ยส่วนใหญ่มันก็เป็นความสุขชนิดนี้นะ คือเป็นความสุขที่ต้องต้องได้เสพเกิดจากการเสพนะเราลองนึกดูนะความสุขที่เราแสวงหาเนี่ยส่วนใหญ่มันก็นีไม่พ้นนะความสนุกความตื่นเต้นสิ่งที่กระตุน้นตาหูจมูกลิ้นแล้วก็กายรวมถึงใจด้วยนะหลายคนได้เงินเห็นเงินก็ มีความสุขละทั้งที่ยังไม่ทันได้ใช้เงินนั้นเลยนะแต่ว่าที่สุขก็เพราะว่ามันรู้สึกตื่นเต้นนะที่ได้เงินก้อนใหญ่ได้ราบก้อนใหญนะ่บางคนอาจจะมีความสุขจากสิ่งที่เราใจประเภทเสียงอันตราย เช่นปีนเขานะแข่งรถซิ่งหรือว่าการที่ได้ดูกีฬาฟุตบอลเทนนิสนะวอลเลย์บอลคนดูก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะมันกระตุน้นปลุกใจให้ตื่นเต้นนะ ถ้าเรา ล, ล่วงหน้าแล้วว่าผลจะจบอย่างไรนะเช่นดูเทปที่เขารีเพลย์ความสุขนี่มันจะน้อยลงลดเพราะว่ารสชาตินี่มันจะจิดจางไปมากทีเดียวให้ความสุขที่ผู้คนแสวงหาเนี่ยเรียกรวมๆก็เป็นการมาสุขนะ การมีสุขนี้ก็คือสุขที่มันเกิดจากการเราจิตกระตุ้นใจหรือว่ากระตุ้นผัสสะอันนี้รวมไปถึงความสุขทางเพศด้วยนะมันก็เกิดจากการที่กระตุ้นเรานะได้เห็นทางตาหรือว่าได้สัมผัสด้วยกายมันก็เราให้เกิดความตื่นตัวขึ้นมาเกิดความตื่นเต้น ยิ่งตื่นเต้นเท่าไหร่ยิ่งกระตุน้นเราเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เร้ามันไม่กระตุ้นให้ตื่นเต้นความสุขก็จืดจางลงไปอันนี้ความสุขแบบนี้นี่มันก็มีจุดอ่อนเหมือนกันนะก็คือว่าพอได้เสพ บ, บ่อยๆเสพมากๆเสพทีๆเนี่ยมันก็เริ่มชินเริ่มชา นะกินอาหารจานอร่อยวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่า ล, ลิ้นก็เริ่มด้านแล้วนะมันไม่อร่อยเหมือนเดิมฟังเพลงที่เพลงเพลงที่สนุกนะอุตส่าห์ซื้อแผ่นมาด้วยราคาที่แพงๆฟังก็ทีแรกมันก็ร้าวใจ แต่ว่าฟังไปฟังไปมันก็ชักจืดชักจางลงเหมือนกับหนังเท้าเราเนี่ยที่มันเจอสัมผัสนะเจอสัมผัสบ่อยๆในสุดมันก็เริ่มด้านหนังก็ค่อยๆสร้างขึ้นมาทําให้มันชินเริ่มชานะการรับรู้ก็จะจะชินจะชาลงนะ เอาความสุขทางเพศก็เหมือนกันใหม่ๆก็ตื่นเต้นแต่พอทําไปทำไปบ่บอยๆมันก็ชินชาก็าไม่ตื่นเต้นแล้วก็ต้องไปหาต้องไปเสพของใหม่ไปหาประสบการณ์ใหม่เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนท่วงท่านะเปลี่ยนอะไรต่างๆเพื่อให้มันกลายเป็นของใหม่ขึ้นมาเ <m uch os> พื่ออะไรก็เพื่อมันจะได้เราจิตเราใจหรือว่ากระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว เหมือนเดิมหรือยิ่งกว่าเดิมอันนั้นลหละถึงจะเรู้ว่าเป็นความสุขผู้คนส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่ความสุขประเภทนี้คือมันต้องสนุกแต่ที่จริงแล้วมันมีความสุขอีกอย่างหนึ่งนะเป็นความสุขที่ตรงกันข้ามเลยเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบนะความสงบนี่มันหมายความว่ามีสิ่งเร้าจิตกระตุ้นใจน้อยนะมีภาษาที่มากระทบ น้อยนะมีสิ่งที่กระตุ้นไอตนะน้อยนะคนที่เสพความสุขประเภทแรกจนเต็มที่เนี่ยในสุขก็จะรู้สึกว่าอันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงก็จะเริ่มสแสวงหาความสุขประเภทที่2องนะคือความสุขที่เกิดจากความสงบนะบางทีเราก็เรียกว่าสงบสุขนะ หลายคนที่ได้เคยนะเสพสิ่งเรามามากมายตอนหลังก็เริ่มเบื่อแล้วนะอยากจะไปหาที่สงบสงบนะมีเศรษฐีมีคนร่ำรวยจำนวนมากที่เดินทางนะไปประเทศอินเดียไปประเทศญี่ปุน่น นะหรือว่ามาประเทศไทยเพราะว่าต้องการแสงหาสถานที่ที่สงบแล้วก็ยอมเหนื่อยยอมยากนะยอมเสียเงินเสียทองเสียเวลาหรือว่ายอมละทิ้งความสนุกหรือยอมละทิ้งความสบายได้ซ้ำแต่ว่า ก็ถือว่าคุ้มนะเพราะว่าความสงบเป็นสิ่งที่หาได้ยากในบ้านของเขายอมที่จะเหนื่อยยอมที่จะลำบากเพื่อได้สบายความสงบเพราะลึกๆเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนาโหยหาในประเทศอย่างอเมริกาหรือประเทศอย่างยุโรปเนี่ยเดี๋ยวนี้วัดหรือโบสถ์หลายแห่งเนี่ย โดยเพราะที่เป็นอารามเนี่ยมันกลายเป็นจุดดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปพักผ่อนไม่ใช่เพราะว่าสนใจาศาสนานะแต่เพราะว่ามันเป็นที่ที่สงบอย่างวัดบางวัดนี่ซึ่งเป็นที่อยู่ของพวกนักบวชที่เคร่งเขาก็เปิดเพื่อให้เปิดคล้ายๆเป็นรีสอร์ทนะหรือว่าเป็น โรงแรมนะให้คนมาพักอุปกรณ์ในวยความสะดวกนี้ไม่ไ ม, ไ ม, มีนะแต่ว่าคนก็พอใจที่ไปอยู่ทั้งที่ราคาแพงมากราคาแพงกว่าโรงแรมโ ร, โรงแรมโรงแรมห้าดาวสุดด้วยซ้ำทั้งที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มีเลยสัญญาณโทรศัพท์ บางทีก็ไม่มีไวไฟก็ไม่มีไม่มีโทรทัศน์ด้วยนะแต่ทำไมคนนิยมไปอันนี้ก็เพราะว่าเขาต้องการความสงบเนะสียเงินเท่าไหร่จะลำบากยังไงก็ไปเพราะว่ามันมี็สิ่งที่เขาขาดนะแ ล, ะล้วคนเราก็สแสวงหาความสงบอยู่แล้วนะ ฝรั่งบางคนก็มาบวชนะโกนหัวห่มเหลืองเนะพื่อที่จะได้มาริมรถกับความสงบเพราะรู้ว่าความสุขเนี่ยจากการเสพที่เรียกว่าการมาสุขเนี่ยมันไม่ใช่คำตอบของชีวิตที่จริงคนที่แสวงหาความสุขประเภทนี้พร้อมที่จะละทิ้งความสุขจากการเสพนี่มันก็มีมา ทุกยุคทุกสมัยนะไม่ใช่เพิ่งมีสมัยนี้ที่จริงพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายศรีัทธาเนี่ก็เป็นผู้หนึ่งนะที่รู้สึกว่ความสุขที่มีในประสาทสามหลังที่มันไม่ใช่ความสุขที่ต้องการหรืออย่างมานบหนุมที่ชื่อว่ายักด์นะยศศักดิกุลบุตรเนี่ยก็เป็นผู้หนึ่งนะ ตอนที่พระเจ้าเนี่ยมาจำมันษาแรกที่ป่ายสิปตันนมุรุกทยวันกับภิกษุปัญจวัคคีเนี่ยไม่กี่วันหลังจากที่พระองค์ได้แสดง อ, อนัตตลขนาฏสูตรที่เราเพิ่งสาธยาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่กี่วันหลังจากนั้นเนี่ยยศะกุลบุตรเนี่ยก็เดินแบบ ไม่มีทิศไม่มีทางเลยระหว่างที่เดินก็พูดขึ้นมาว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอเพราะว่ารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตท่านงที่เติมไปด้วยความสโลวกสบายเติมไปด้วยทรัพย์สินเงินทองพ่อแม่ยัสานี่รวยมากนะอยู่ใกล้ๆ ก, กับปสายิรปัฒนาอยู่ที่เมืองพาราณสี แต่หลังจากเสพสุขนจนเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจไม่รู้สึกเกิดความพอใจทั้งที่มีดนตรีขับกล่อมมีผู้หญิงมาไล่ยรำอยู่ทุกวันและทั้งคืนเต็มไปด้วยสิ่งร้อนจีกระตุ้นใจนะแต่ว่าก็รู้สึกว่านั้นไม่ใช่ความสุขที่ตัวเองต้องการ จนทั้งคืนวันหนึ่งตื่นขึ้นมากลางดึกนะก็เห็นผู้หญิงที่นางรำทั้งหลายนี่นอนกายกองกันนะด้วยความเพลียดัสสายเห็นแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าคนเหล่านั้นเนี่ยเป็นซากศพนะนอนกายกันเสื้อผ้าหลุดลุ่ยบ้างบางทีก็น้ำลายไหล ก็เกิดความสังเวชขึ้นมาก็เลยเดินออกไปจากคฤหาสน์นะเดินไปอย่างไม่มีจุดหมายเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าเดินไปไหนนะรู้แต่ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ทางแล้วก็พูดไปเนี่ยตลอดทางเนี่ยที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะจนทั้งเข้าไปที่ป่าสิบปัตนามุกทายวัน ไกลทีเดียวนะพารานัสีไปป่าสิปตนาเนี่ยเป็นสิบกิโลเลยพุทธเจ้ากำลังอ่าตอนนั้นกำลังจเจริญสมาธิภาวนาอยู่ก็เลยพูดกับว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องก็สะดุดใจนะยะก็เลยเดินไปหาแล้วก็สนทนาธรรมพูพุทธเจ้าได้แสดงธรรมนะ แสดงควมสั้นๆ น, นะชี่เห็นโทษของกามนะที่แรกชี้เห็นถึงประโยชน์ของการทำความดีก่อนการให้ทานการรักษาศีลและนาไปสู่ความสุขนะมีทรัพย์สมบัติ พ, พรั่งพร้อมแล้วก็ชี้โทษของกามแล้วก็ชี้เห็นทางที่ดีกว่าเนะท่านั้นแหละนะ ยศาก็ตาสว่างเลยนะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วก็บรรุธรรมเลยนะเป็นพระโสดาบันนะพอจิตใจของพระของยสานีนะเหนื่อยหน่ายนะกับความสุขที่เกิดจากสิ่งเรานะใจเนี่ยปรารถนาความสุขที่เกิดจากความสงบ มีตัวอย่างนี้มีมากมายนะของคนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็พบว่าความสุขจากความสงบนั้นประเสริฐกว่าอย่างเช่นพระพัตติยะก็เหมือนกันนะพระพัทติยะนี่ก็เป็นผู้ปกครองเป็นพระญาของพระเจ้าตอนลองก็มาบวชพร้อมๆกับพระอานนท์แล้วก็พร้อมกับพระยาพร้อมกับพระเทวทัตมาบวชนี่ก็ไม่ได้ตั้งใจอยากจะบวชนะแต่ว่าเพื่อนขอร้องเพราะว่าถ้า ไม่มีเพื่อนบวช ด, ด้วยตัวเองก็บวชไม่ได้พอมาบวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติและในสุดก็พบกับความสงบอย่างที่ต้องการจนกระทั่งบรรลุธรรมวันหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าสุขหนอสุกหนอลำพึงขึ้นมาว่าสุกหนอสุกหนอคนก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่า พระปฏิญอยากจะคิดถึงความสุขในสมัยเป็นผู้ปกครองเป็นราชาก็ไปทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาถามก็ได้คำตอบว่าที่สุขนี่ไม่ใช่สุขเพราะนึกถึงไม่ใช่เป็นความสุขไม่ใช่เป็นการนึกถึงความสุขในอดีตนะแต่เป็นความสุขในปัจจุบันแล้วก็บอกว่าแต่ก่อนนี่แม้ว่าจะมีทรัพย์สินเงินทองมากมาย มีองครักษ์นะหลายรอบรอบตัวแต่ก็ไม่มีความสุขเลยนะมีความกลัวด้วยซ้ำนะแต่พอมาครองภาคกาสาวพัตนะอยู่อย่างง่ายๆฉันมือเดียวนอนใต้โคนไม้นี่ไม่มีองครักษ์ปกป้องนี่อยู่ในป่าที่ เงียบสงดกลับมีความสุขมากกว่าแลคนที่มีความรู้สึกแบบนี้หรือว่าพยายามที่จะแสวงหาความสุขแบบนี้นี่ก็มีมาตลอดนะและพวกเราก็อาจจะเดินบนเส้นทางนี้ก็ได้นะถึงมาที่นี่เพื่อมาพบกับความสุขนะที่เกิดจากความสงบ ทั้งทั้งที่มันไม่มีความสบายเท่าไหร่ไม่มีความสนุกด้วยนะแต่นี่แหละคือสิ่งที่จิตใจส่วนลึกของเราโหยหาก็ได้ความสงบที่เกิดจากสิ่งเล้านะเกิดจากความตื่นเต้นเนี่ยอย่างที่บอกไว้แล้วว่ามันมันวุวา มันเสพง่ายก็จริงแต่ว่ามันก็เบื่อง่ายเหมือนกันแล้วมันทำให้ดิ้นรนไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นเพราะว่าพอเสพไปแล้วไม่นานก็เบื่อต้องอยากได้ของใหม่เกิดการดิ้นรนที่จะเสพสิ่งใหม่ตลอดเวลาได้เสพเท่าไหร่มีเท่าไหร่ก็ไม่พอยิ่งทำให้เกิดความเหนื่อยอ่อน พอเหนื่อยถึงจุดหนึ่งร่างกายและจิตใจมันก็ไม่ไหวนะมันก็ทำให้อยากจะสแสวงหาความสงบเริ่มจากการที่ไปหาสถานที่นะที่สงบสงัดอย่างที่วระป่าสุกโตเนี่ยหลายคนมาก็เพราะรู้สึกพึงพอใจหรือติดใจในความสงบสงัด บางคนนะเพียงแค่มาไม่กี่นาทีก็รู้สึกเลยว่าเม อ, อมันสงบนะเพราะว่ามันแตกต่างจากบ้านของตัวหรือว่าเมืองที่ตัวเองอยู่มาจากแก่้งเคราะห์มาจากในมาจากกรุงเทพมันวุ่นวายอยุกติคึกนะร้อนก็ร้อนนะแต่พอมา ที่ปาสุกโตความรู้สึกอย่างแรกที่สัมผัสได้คือมันสงบให้ผู้คนก็แสวงหาที่สงบสงัดเพื่อจะได้สัมผัสกับความสุขความสุขที่เรียกว่าที่ชื่อว่าความสุขสงบเดี๋ยวแล้วก็ตามเนี่ยไอ้ความความสุขสงบที่เกิดจาก สิ่งแวดล้อมที่ส ง, งดเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่เป็นความสุขที่เราจะฝากหัวาฝากชีวิตไว้เอาไว้ได้นะเพราะว่าความสุขแบบนี้ความสงบแบบนี้มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกัน อย่างป่าสุโกโตนี่บางช่วงมันก็อึกระทึกคึกโครมนะอย่างพรุ่งนี้นี่ก็จะมีบวชเนรนะคนก็จะมาเยอะแยะนะเด็กก็จะส่งเสียงเจียวเจ้านะคนที่หวังความสงัดก็ จ, จะไม่ถูกใจหรือบางคราวหมู่บ้านที่อยู่นอกวัดเขาก็มีงานยิ่งมีงานศพมีการใช้หนัง มีการส่งเสียงดังชาวบ้านชอบมนะันเป็นเสียงเพลงแต่พวกเรา <c oughs> ไม่ชอบเพราะว่ามันทำลายความสงบหลายคนก็พออยู่ไปอยู่ไปก็ระสึมันไม่สงบแล้วก็นึกหาที่ใหม่ที่มันสงบกว่าแต่ว่าถึงจะหาเจอนะในสุดก็จะพบว่า มันก็ไม่สงบอย่างที่คิดมันก็จะมีความวุ่นวายมีความระกระดึ ก, กเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เป็นครั้งคราวนะก็ต้องหนีไปใหม่นะถ้าแสวงหาความความสุขสงบที่ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเพราะว่าอย่างไงก็ตามก็ต้องเจอนะ ต้องเจอสิ่งที่มากระทบใจสิ่งที่มาขัดใจให้คุณมัวได้หรือสิ่งที่ไม่เป็นไปตามใจหลายคนเนี่ยรู้สึกว่าจิตใจเป็นสุขได้สงบได้ก็เพราะว่าสิ่งกระรอกอําออนวยแต่พอสิ่งกระรอกแปรเปลี่ยนไปไม่เป็นไปดังใจหวังก็ร้อนรุ่มขึ้นมาในสายพุธการก็มี พรามพรามานีคนหนึ่งนะรวยมากนะก็ะเช้เวทหิกาก็มีความสุขมากนะรู้สึกมีความสงบในใจทีแรกก็คิดว่าเป็นเพราะาตัวเองได้ปฏิบัติธรรมหรือว่าได้ทำจิตทำใจมาดีแต่ที่จริงเป็นเพราะว่าสิ่งว่าล้อมเกือ้อกูลมากกว่าเช่น ลูกน้องต่างๆเขาก็ทำกิจการงานต่างๆอย่างราบเรื่องตัวอไม่ต้องทำอะไรเลยก็สบายสบายแล้วก็รู้สึกสงบวันหนึ่งนางทาสีคนหนึ่งแกล้งนะแกล้งเป็นแกล้งนอนตื่นสายพอนอนตื่นสายงานที่เป็นหน้าที่ของรับผิดชอบของของตัวเองก็ไม่ได้ทำแล้วเกิดความสะดุดขึ้นมานางเวทีกาพอรู้เข้า ก็เกิดไม่พอใจไม่พอใจถึงขั้นโกรธนะด่าว่านางทาสีคนนี้ไอความสงบที่มีนี่หายไปเลยนะมันกลายเป็นความโกรธความร้อนรุ่มมาแทนที่นางทาสีก็เลยเชียร์เนี่ยที่ท่านสงบได้มันไม่ใช่เพราะว่าอะไรหรอกแต่เป็นเพราะาลูกน้องหรือว่าพวกนางทาสีทั้งหลายนะเขา เอื้อเฟือเกื้อกูลแต่พอไม่เป็นไปตามใจหวังหรือว่าเขาไม่ทำงานนี่ร้อนเลยเนะีใ่ในความเป็นจริงคนเราเนี่ยนะจะหวังให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรามันเป็นไปตามใจหวังมันราบรื่นนะมันยากนะหรือเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่อยู่บ้าก็ต้องมีอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่ามีสิ่งที่มาขัดใจ บางคนก็หนีนะไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรไม่อยากจะทํางานอะไรในวัดไม่อยากจ ะ, ะเกี่ยวข้องเพราะว่ากลัวว่าจะทําให้ใจไม่สงบนะแต่ว่าความคิดแบบนี้ก็ทําให้หนีเรื่อยไปหรือกลายเป็นคนไม่รับผิดชอบ <c oughs> กลายเป็นคนไม่ไมเอื้อเฟื้อส่วนรวมนะที่ทำมาคื อ, อความสงบที่ตัวเองมีหรือความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวก็เป็น ของที่เปราะบางมากนะพวกเราอย่าไปหวังความสุขที่ต้องอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือต้องอิงอาศัยชีวิตที่มันราบรื่นปกตินะเพราะว่าของแบบนี้เนี่ยมันมันไม่มีจริงมันเป็นของชั่วคราวชีวิตเรานี่มันไม่ใช่ว่าจะราบรื่นปกติไปได้ตลอดนะเพราะว่า แต่ใดที่ความราบเรื่องความปกติต้องอิงอาศัยคนอื่นนะมันก็พร้อมที่จะกลายเป็นความไม่ปกติหรือว่ามีสิ่งติดขัดเกิดขึ้นได้เราต้องลองเรียนรู้นะที่จะเข้าถึงความสงบได้โดยที่ไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมไม่ต้องอาศัยคนอื่นพอเมื่อไงมันจะเป็นการยืมจมูกคนอื่นหายใจ เราต้องเรียนรู้ที่จะหาความสงบได้ด้วยตัวเองนะซึ่งก็คือการฝึกนะสมาธิภาวนาการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญส ต, ติถ้าเราไม่ทำสิ่งนี้เนี่ยนะไอ้ความสุขความสงบที่เกิดขึ้นกับเราสมมุติว่ามันเกิดขึ้นจริงนะมันก็จะหลุดลอยไปจากเราได้ง่ายๆ เพียงแค่มีคนมาพูดนะกระทบเรามาตำหนิเราหรือแม้แต่มาท้วงติงเรานะจิตใจก็รุ่มร้อนละหรือว่าตื่นมากิจวัตรประจำวันเกิดกระเทือนขึ้นมาไม่มีข้าวกินหรือว่าอาหารมาช้านะก็ไม่พอใจละ หรือว่ากําลังนอนอยู่มีเสียงดังนะเสียงเพลงดังมาจากข้างนอกนะจิตใจก็ขุ่นมัวแล้วอันนี้ไม่สงบนะพร่าไปหวังพึ่งพิงสิ่งแวดล้อมเราต้องรู้จักที่จะหาความสงบได้ที่ใจของเราไม่ใช่จากสิ่งแวดล้อมไม่ใช่จากการที่ผู้คนได้ทําดีกับเรา ในการที่เราจะสหาความสงบที่ใจเราได้เนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัตินะปฏิบัติที่ใจนต้องอาศัยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องแล้วก็ฝึกจิตฝึกใจถ้าเราฝึกจิตได้ฝึกจิตได้คล่องแคล่วชำนาญรู้จักวางใจถูกนะเราก็จะสามารถพบ ก, กับความสงบได้ ในทุกที่ในทุกสถานการณ์นะแม้แต่เวลาเจ็บเวลาป่วยนะก็ยังพบกับความสงบใจได้ใครพูดอะไรมาใจก็ไม่กระเพื่อมพะรู้จักปล่อยวางได้วางใจถูกนะหรือว่าเจอสิ่งไม่สมหวังงานล้มเหลวใจก็ไม่ทุก สงบได้อย่าลืมเพราะคำเขียนเนี่ยท่านทำงานเยอะนะสมัยตั้งแต่หนุ่มเลยไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสอนทำการแสดงทำท่านยังทำงานเกี่ยวเรื่องการพัฒนาชุมชนนะการช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากการอนุรักษ์ธรรมชาตนะิแต่ท่านทำมาเป็น1 0 1สิปีเวลามีคนถามว่า เป็นอย่างไรงานที่ท่านทำท่านก็มักจะตอบว่างานที่หลวงพ่อทำเนี่ยล้มเหลวแต่ท่านก็พูดตอบว่าตัวหลวงพ่อไม่ล้มเหลวคืองานล้มเหลวยังไงท่านก็ยังสงบเย็นอยู่ได้นะอันนี้เรียกว่าเพราะว่าพบเข้าถึงความสงบที่ใจเพราะว่าได้ฝึกจิตฝึกใจมาจนกระทั่งนะวางใจถูกเมื่อวางใจถูก อะไรเกิดขึ้นกับตัวเองไม่ว่ามีอะไรมากระทบไม่ว่ามีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นใจก็สงบได้นะให้เราเนี่ยรู้จักหรือเข้าถึงความสงบประเภทนี้นะเป็นอย่าไปหวังพึ่งความสงบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกจะไปหวังพึ่งความสงบจากการพูดดีทำดีของคนรอบข้างอันนั้นมันมันไม่มไม่จีรังหรอก หลายคนทําดีแล้วทุกนะเพราะว่าคนไม่เห็นความดีของเราแถมยังเอาเปรียบเราอีกมีเมื่อเร็วๆนี่ก็มีคนหนึ่งบอกเนี่ยไม่อยากทําความดีแล้วทําดีแล้วไม่ได้ดีเพราะว่าคนรอบข้างเขาคิดแต่หลังแกแล้วเอาเปรียบเราอันนี้ยังเ ป, เป็นเพราะว่าเราไปหวังพึ่งพาคนข้างนอกมากไป เราไปหวังพึ่งความดีจากคนรอบตัวมากไปถ้าหวังพึ่งความดีจากคนรอบตัวหวังพึ่งการพูดดีทาดีจากเขานี่ก็จะยากนะที่จะพบกับความสงบความสุขได้จากคนที่พบเข้าถึงความสงบความสุขจากใจตัวอย่างแท้จริงนี่ใครก็จะทําไม่ดีกับเราใครก็จะพูดไม่ดีกับเราใจเราก็นิ่งสงบไดนะ้เพราะเกิดจากการปฏิบัตินะพยายามทาให้ได้นะ ความสุขประเภทนี้เอลาละชาตินี้ก็เพิ่งกันเท่านี้